เป็นยมดตต์น้ำลายไปผ่อนอา่านพระพุทธเจ้าท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเห็นดาวพระสาวกทั้งหลายรุน่นซึ่งรุ่นแล้วตองจะเป็นพระอรหันต์ประเภทอริยบุคคลท่านสุดท้ายท่านสูงสุด ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนไม่ทำความภาคเพียรนันก็เป็นเหตุให้คิดขึ้นมาเอ้ะท่านทำความเพียรไปเพื่ออะไรถ้าความเพียรเพื่อจะถอดถอนที่เละก็เห็นควรเพราะพะพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแหละท่านดุจพ้นจากทิเเละได้เพราะความเพียร แต่ขั้นพ้นจากพิเลตไปแล้วท่านทำความเพียรเพื่ออะไรและในธรรมยีบทหนึ่งมีรับกันไว้เหมือนกันแต่มันไม่สนใจจุดนี้มากกว่าจุดนั้นมากกว่าจุดที่สงสยัยทําเรื่องทิฏฐ ธ, ธรรมยิหารธรรมธรรอทิฏฐ ธ, ธรรมยิหารธรรมเราไม่เข้าใจ เวลาอยู่มันปกติท่านทางความเพียรเพื่อที่หารธรรมในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือปัจจุบั น, นเป็นธรรมเครื่องอยู่ในปัจจุบันระหว่างขันธ์กับจิตแต่เราไม่ทราบที่รรหว่าระหว่างขันธ์กับจิตอะไรต่ออะไรที่ทาปัจจุบันความจริงแล้ว พระอาการทุกส่วนของพระพุเทธเจ้าก็ดีธาตุขันทุกส่วนทั่วอาการของพระหรหัสละหันก็ดีมันเป็นสมมุติทั้งนั้นธาตุขันนี้ไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นอะหันด้วยนี่รูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณไม่ได้เป็นพระหรหันไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยพระาลหันมันเป็นธรรมชาติทั้งมันคือเป็นเครื่องมืออยู่ดีๆเนี่ยเครื่องมือทํางานคนจะดีจะชั่ว เครื่องมือก็ไม่ดีได้ ด, ไ ด, ดีได้ชั่วด้วยเพราะเป็นเครื่องมือแต่เราเที่ยบทีนี้เมื่อธาตุขันยังมีอยู่ความเกี่ยวข้องของธาตุขันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไงธาตุขันมันเหมือนกงจับมันหมุนตัวดตามหลักธรรมาชาติเข้ามา เรื่องอนิจจังก็เป็นไปในส่วนร่างกายอย่างลึกลับก็มีเช่นความแปลสภาพไปใน ท, ทางแต่นี่มันก็เป็นแปรสภาพอยู่ตามเอืยบบทต่างๆเช่นความฝูกความทุกที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความแปลสภาพของธาตุขันนั้นให้แสดงความแปลสภาพของเวทนาขึ้นมาต่างๆมันก็มีความเกิความจํคาจความคิดความปรุงต่างๆมันเป็นสิ่ง ที่เกิดที่ดับเป็นของไม่แน่นอนนี่จิตซึ่งเป็นธรรมาชาติที่บริสุทธิ์เมื่ออาศัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรสมกับความรับผิดชอบขอเขาอยู่แล้วย้อ น, ยนเข้าไปถึงเรื่องความคิดตุง ความคิดตรุงเป็นสิ่งสาคัญอยู่มากจะทาให้อาการภายในไม่สะดวกเมือใช้ความคิดตรุงมากขาดขันก็อ่อนเพียวแตพออย่างยิ่งก็อ่อนเพียภายในอวัยวะส่วนละเอียดแลาจะปฏิบัติยังไงถึงจะเป็นการรงบับความอ่อนเพียเหล่านี้ลงได้หนัก พอแยกออกมาเท่านี้มันก็เข้าใจถึงเรื่องสมาธิภาวนาที่ท่านทำไปเป็นประจำตลอดอาวุโสานชีวิตมีความจำเป็นต่อธาตุขันอย่างนี้คิดไปคิดมาคิดมากเข้า ม, ม, มันก็ไม่ได้เรื่องฝืนมันก็ไม่ได้เนี่ยรู้ชัดมันเหมือนกับ เราดึงสายยางออกไปดึงออกไปยาวยาเพื่อจะใช้พอวามันก็ดิดทับเข้าไปดึงออกไปวางดิดทับไปดึงไปต่อไปเลยไม่ออกอีกก็คิดเรื่องนั้นวาดภาพเรื่องนี้เพื่อจะใช้การใช้งานยิ่งเป็นการกะการตวงการคำนวณด้วยแล้วยิ่งจะใช้สัญญากับสังขาหนี เกี่ยวข้องกันอย่างมากมายนี้เวลาใช้นานๆก็มันก็ทำให้อ่อนเพลียได้ต่อไปก็ไม่ทำงานฮะราะความเหนื่อยภายในธาตุขันจะพ่ออย่างยิ่งอวัยวะส่วนละเอีย ด, ดก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ระงับเสียด้วยวิธีอ่างพระพุทธเจ้าขเข้าสมาธิสัมปบพระสาวกเกลือ เข้าที่ภาวนามันเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวพอกําหนดเข้าที่เท่านั้นมันจะปล่อยทันทีทันใดพราอยากจะปล่อยงานอยู่แล้วเพราะงานนั้นไม่ใช่งานยึดงานถืองานทําไปธรรมนามนาถ้าว่าเป็นงานยึดงานถือที่เรียกว่าอุปท า, านแล้วมันก็ปล่อยได้ยากเพราะมันไม่ยอมปล่อยมันเสื่อายา แต่งานของกรคคินาสบทท่านไม่ได้มีอะไรเสียดายทำาปด้วยความจำเป็นชิดปุลไปด้วยเรื่องเวลาต่างๆที่เป็นความจาเป็นพราะจะปล่อยท่านเท่ากับปล่อยท่านได้อย่างรวดเร็วอาการทั้งหมดก็สงบจะสงบนานเท่าไหร่นั้นแล้วแต่ความพอของธาตุขัน ธุรกิจที่จะถอยตัวออกมารับสมมุติรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อมออกจากที่นั้นแล้วก็สบายกระปรี้กรเป๋าายในธาตุขันทราบได้อย่างชัดเนจนเึ้นเดียวกับคนที่ทํางานเมื่อหยิบอ่อนเพลียเต็มที่มารับทานแล้วนอนพักผ่อนร่างกายให้สบายจะตื่นขึ้นมาก็มีความระหว่างสี่ก็ขันที่พักกันได้โดยความถูกต้อง เหมาะสมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอายุไขที่จะเป็นไปได้ถึงตามการตามเวลาก็เพราะการปฏิบัติระหว่างขันกระกิดให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กันนั่นแหละหเกี่ยวกับกิจการงานมากๆฝืนอยู่เรื่อยๆคิดอยากจะพักก็ฝืนกันฝืนกันไปฝืนกันมาความแพ้กบมาแพ้ที่ขันเนี่ยแพ้ที่จิตจริงๆ ที่บริสุทธิแล้วนั้นไม่มีทางแท้เพราะนั้นหมดเรื่องความแพ้ความยั่งยไปแล้วตั้งแต่ขณะที่ได้บรรลุธรรมความแพ้ความยั่งยืนเป็นอนาโมตัน ห, หาไปทันทีทันใดการที่จะทรงท่าขันให้เป็นไปนตามอายุไขนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติระหว่างที่ขันให้เหมาะสมกันม่แพงมากเพินไปการเกี่ยวข้องกับเป็นมนุษย์ผู้คน เจตนาว่าการอย่นี้เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องงานทางงานต้อมีการพักผ่อนให้พอเหมาะพอควรแล้วอายุก็เป็นไปได้ตามอายุไขถ้าหากโหมากไปมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาขึ้นเดียวกับเรามีเงินอยู่แล้ว เ, เอาเรวสม ม, มุติว่าร้อยบาทในครอบครัวของเราวันหนึ่งใช้หมดไปเท่าไหร่ ถ้าผัวน้อยใช้วันหนึ่งหมดไปยี่สิบาทนี่มันก็ได้ถึงห้าวันเ้ามาใช้แต่อย่างฟุ่มเฟือยวันละสี่สิบ้าสิบาทนั่นก็เพียงสองวันก็หมดแทนที่จะไปได้ห้าวันมันก็ได้เพียงแค่สองวันถ้าใช้วันละห้าสิบาทก็ได้แค่สองวันหมดบ้งท่านที่ไม่จําเป็นก็ให้มันหมด มีเรื่องของธาตุขันมันก็มีกฎเกณฑ์ั้งมันอยู่เช่นประมาณอายุเท่านั้นขันนี้ธาตุนี้จะหมดสภาพการรวมตัวใช้การงานรายได้จะหมดความหมายในประมาณเท่านั้นปีเช่นแปดสิบปีธาตุขันนี้จะหมดสมรรถภาพทุกสิ่งทุกอย่างสหลายตัวลงไป แต่ถ้าว่าใช้แบบหักโหมก็ไม่ถึงนั้นแต่ใช้เฉ้มเขี่ยใช้ให้พอเหมาะพอสมตาดังที่เขาใช้เงินร้อยบาทนั้นให้พอเหมาะกับครอบครัวของตวนี้มันมันก็ได้ตามกามหนดนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวก็ดีท่าน ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันปะระสิทธิ์พันเพื่อความรับผิดชอบในขันนี้เท่านั้นเป็นสาคัญกิเลส อ, อาสวะไม่ต้องพูดว่าท่านจะแก้อะไรถ้านไม่มีมันไม่มีความหมายอะไรสำหรับกิเลสเพราะไม่มีกิเลสที่จะให้มาให้ความหมายในเกี่ยวกับเรื่องความเพียรผมคิดเลยว่าหมดมันหมดอย่างนั้นไม่ใช่หมดแล้วจะมาเกิดขึ้นมาอีกแล้วทําไมกิเลสนี้ก็ว่าสิ้นไปแล้วทําไมาวันนี้มันโผล่ขึ้นมา แปลว่ายัางไม่สิน้นเราไม่สามารถที่จะค้นพบส่วนละเอียดของมันที่ฝังอยู่อย่างจ ม, มิดเท่านั้นเองมันจึงต้องโผล่ขึ้นมาในเมื่อมีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าหมดเที่จริงแล้วจะเอาอะไรมาโผล่มันไม่มีตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจากนั้นไปกระทั่งถึงวันนิพพานจะไม่ปรากฏเรื่องอะไรที่แสดงขึ้นมาว่าเป็นกิเลสภายในจิตใจตรงนั้นเลยนี่ความจริง การประกอบความเพียรของพระอรหันต์ท่านถิดกับพวกเราอยู่มากประกอบเพื่เป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กิจที่ปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมให้รับความผาสุกสบายไปตามการตามเวลาจนกว่าจะถึงอายุไขแล้วก็ผ่านไปนี่เป็นปตปณีหรือเป็นความจําเป็นของพระอรหันต์ท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมา เพราะฉะนั้นคือวาจารย์ท่านถึงประกอบความภาพเพร่ของท่านอยู่เสมอเรื่องเราเหมือนกับหนูตัวหนึ่งนี่ก็พอจะเข้าใจได้ถ้าลงจิตได้ยุ่งมงมากเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วมันต้องทราบทันทีต้องหาที่หลบที่ซ่อนปลดปล่อย วางฐานะ น, นั้นด้วยความสงบใจจดยอารมณ์ทั้งหลายเสียหรือแต่ความรู้ล้วนๆมันก็ผาสุดเดียวกวบวิหารธรรมเฮ้เวลาพากัาไปอย่างนั้นดังที่พูดตอนต้นนั้นมันไม่มีอะไระคือเหมือนไม่มีถึงอะไรจะมีอยู่ก็ตามนี่เราแยกออกมา ตนไ ม, ม้ภูเขาดินฟ้าอากาศผาดขันของเราเองซึ่งนั่งตมมองอยู่นี่มันมันก็ไม่มีในความรู้สึกหายหมดไม่มีถ้าเราจะพูดว่าเหลือนะเขาเหือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่คำว่าเหลือนี่มันก็เฟืงผืนเหมือนกันเพราะคำว่าเหลือนี่มันเป็นสมมติแท้ ที่อันนั้นไม่ใช่สมมุติจะว่าว่าเหลือหรือยังมีแต่ความรู้เท่านั้นพูดอย่างเต็มปากนี่ก็พูดไม่ได้ฮะแล้วธรรมชาตินั้นจะหัวเราะเอาทายเหมาะสมกับธรรมชาตินั้นก็เอาไม่มีอะไรเจ้าทั้งทั้งที่พูดพูดนั้นก็ทราบแล้วว่าไม่มีอะไรนะมันจะทราบอยู่งั้นแหละพูดทราบนั่นแค่พูดที่พูดไม่ถูก นี่จิตได้อย่างนั้นถึงขัน้นพูดไม่ได้ันพูดไม่ได้จริงอันเลยละเอียดละเอียดนั้นพูดได้เลยละเอียดไปแล้วมันก็ผ่านสมมติไปทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งสมมตินะ่ะหักทานที่จะพูดถึงได้และทุกสิ่งทุกอย่างว่าพูดได้โดยถูกต้องตามหลักธรรมชาตินันนน้นพูดไม่ถูก นี่จิตเป็นนี้นี่อยู่กับทุกคนสภาพอันนี้เป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่ไม่มีราคาทั้งหลายมันกดทวงอันนี้เลยมาเด่นเสียตั้งราคาให้ตัวเองทั้งๆที่มันยังไม่มีราคาตัวที่ตั้งราคาให้ตัวเองนั่นคือตัวกดทวงตัวไม่ใช่ราคาตัวไม่มีราคามานยกตัวขึ้นให้เป็นราคามันเลยทับสิ่งที่มีคุณค่ามีราคานั้นเสีย เมื่อแก่สิ่งนี้ อ, อแล้วสิ่งที่มีคุณค่าโดยธรรมาชาติอกาปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยค่อยๆจะเห็นโทษสิ่งที่ตนเคยเสียสันว่ามีรา ค, าคานี้ได้โดยลําดับลำดับไปเมื่อเห็นโทษแล้วก็มีช่องเห็นโทษหรือเห็นไัยเข้ามามันก็มีทางที่จะต่อสู้มีทางที่จะปลุกเรื่องพราะแต่ก่อนไม่รู้ว่าอันนี้เป็นภัยพอรู้แล้วใครจะไปนอนกายอยู่ได้มันก็ต้องพยายามเต็มพระจิตกำลงังความสำนึจนกทั่งถึงเต็มที่ เอาคิดเข้าแลกกันเลยพมอมันเห็นเต็มที่มันก็ปล่อยได้เต็มที่คุณค่าของกิดก็แสดงตัวเต็มที่การพยายามทำละ ส, ะสางนี้เราจะให้จิเล็กเข้ามาแทกพอจะเริ่มภาวนาเมอมันมีเรื่องทุนใดอันหนึ่งเข้ามาผิดมาขวางนั่นแหละ เมือนไม่เขาไม่อยากให้พวกเขาเองที่งเกาะอยู่ภายกิจนั่นหลุดรอยออกไปจากใจนั่นก็แสดงเป็นคุณอุบายออกมาจากนั่นเนีแหละมาท่ำสอนเราสมมติมนุษย์เรานี้มันสอนง่ายถ้าให้ให้กิเลสสอนน่มันสอนง่ายธรรมะถอนน่ะมันยากถ้ากิเลสกระซิบเพียงคนเดียวเท่านั้นละเออยอมหมอบราบเลยอว่างไง ธรรมะสอนนั้ไม่ค่อยลงไม่ค่อยเชื่อทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนั้นกิเลสมันเป็นแนวหน้าอยู่นี่มันให้ธรรมะเข้าไปแทรกได้เลยกิเลสเป็นแนวหน้ากิเลสเป็นอาจารย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์รองรองลําดับลงลง ล, ลําดับลําดาลงมาขั้นศาสตราอาจารย์มันก็เหมือนอ่าแล้วก็รองศาสตราอาจารย์ลงมาเป็นอาจารย์ธรรมดาจนกระทั่งถึงเป็นครูเป็นอะไรลงไปเรื่อยๆ มันมีหลายอาจารย์อยู่ในภายใิตประจําอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนีแต่ อ, อาจารย์เหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเจ้าขี้เจ้าการแล้วธรรมะจะแทรกเข้าไปได้อย่างไรเมื่อเราทราบตามหลักความจริงที่เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็มีทางถึงจะยากลําบากหรืออุปกรณ์อุ บ, บายของกิเลสมันจะแทรกแตแซงกระซิบขึ้นมาโดยอาการต่างๆ เราเคยเชื่อมันแล้วก็พอจะจับมาพิจารณาเทียบเทียมถึงเหตุถึงผลความได้ความเสียของมันและของทำได้แล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปทุกก็ทนลําบากก็ทนยากง่ายก็ทนพอได้เมื่อไรเอาพอสู้เมื่อไรสู้เอาเวลาแพ้แพ้ไปก่อนแพ้ให้เราทราบว่าเราแพ้แต่แพ้เพื่อที่จะต่อสู้อีก เมื่อได้โอกาสเมื่อมีกําลังจะต่อสู้นี่คือว่าเราเหินโทษหลายครั้งเรหเข้าไปมันก็มีทางชนะได้ไม่ชนะอย่างละเอียดก็ชนะอย่างหยาบมันก็ต้องเข้าไปตั้งแต่เปลือกกับพีนี่ก่อนแหละอืมแต่เปลือกออกแล้วฟันก็ไปกับพีแล้วก็เข้าไปถึงแก่จนได้เมื่อฟันไม่หยุดไม่ถอยอเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราเชื่อมันง่ายเชื่อกิเลสเพราะ เคยสนิทติดจมอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเรากับกิเลสไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรมันเป็นเราทั้งหมดกิเลสผู้ ป, ประเภทการเป็นเราจะแตะต้องกิเลสมันก็จะเป็นการแตะต้องเราไปเลยไม่อยากแตะต้องเพราะเรากับกิเลสมันแยกกันไม่ออกเนละที่ทําให้คนนอนใจาหาทางแยกไม่ได้เพราะไม่หาเพราะไม่เห็นเรื่องของกิเลสกับตนเนื่องจากมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดแล้ว แม้จะเป็นเช่นนั้นก็าตามเราเป็นผู้มีความเชื่อความหลงสายต่อหลักธรรมพุทธิเจ้าเพื่อมือยิงวอรพระองค์ให้ช่วยก็คือศาสนาธรรมนั่นแหละนำน้อมนำศาสนาธรรมเข้ามาแก้ตนเองยากลำบากก็สู้อดสู้ทนต่อไปก็ค่อยเปิดทางเข้าไปเปิทางเขไปแล้วเห็นแย่งความผิดของตน ความโง่ของตนไปเรื่อยๆด้วยอุบายแห่งธรรมไอ้ความเชื่อไงทำทั้งหลายก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นความเชื่อจฉลยอดน้อยลงไปน้อยลงไปพราะเห็นโทษของมันเรื่อยๆเห็นความโกหกมายาการพูดกับการทําไม่ตรงกันออจะพูดอย่างง่ายว่านี่มันหลาก็อย่างหนึ่งเจตจำางทำทำไปอย่างหนึ่งผลเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ตรงความหมายที่เราต้องการ ถ้าเราจะฝืนเชื่อมันไปเรื่อยๆมันก็จบเราเราเทียบกันอย่างนี้ส่วนธรรมนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงตลอดสายตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่ง ถ, งถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงทั้งนั้นเวลาทําตามธรรมแม้จะได้รับความลําบากลําลบนแต่ผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขได้รับโดย ล, าลาําดับลําดับเป็นที่พอใจ สีนยากกับงานมันก็ไม่สนใจอะไรไม่ถือเป็นภาระอะไรมากนะักยิ่งกว่าที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วที่นี้อาจารย์ทั้งหลายมันก็ค่อยถูกขับไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยถูกขับไล่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่าง เป็นเครื่องกัรจากปากเก่ากันไปเรื่อยๆเล ย, เลยตามเงินเข้าไปตามเงเข้าไปจนกระทั่งถึงที่สุดไม่มีอะไรเหลื อ, อวัดตะวันที่เป็นให้เป็นเหตุให้หมุนเวียนเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจหมดพิ้นไปจากกันแล้วก็เหลือแต่ทำทั้งแท่งหรือทำทั้งดวงได้สยิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเด่นอยู่ภายในตัวเอง นั่นคือเอกและจิตอยอางเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอกับอันนี้พอรู้อันนี้อย่างเต็มพูมแล้วปล่อยอะไรเต็มภูมเต็มที่ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งในโลกนี้ไม่มีมาถึงทมนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งหมดปัญหา นี่คือผลของการฝืนจิตใจจิตใจชอบจะก่อกรรมก่อเวรแจะของอยู่เรื่อยๆนั่นแหละกอเรื่องก่อลา่นั้นเนี่ยเหมือนก่อกรรมก่อเวรก่อทาคิดไม่ดีขึ้นมาแล้วมันก็ผลมันก็สนองตอบนี่มาปรากฏในเรามันก็เหมือนกับก่อกรรมก่อเวรนะเว้มันเป็นอยู่ภายในจิตใจทุกคนนั่นแหละ ไม่ได้ว่าเพียงตั้งๆเล่าๆเพียงเท่านี้มันทั่วโลกขึ้นที่ว่าธรรมชาติอันนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจเรื่องดูใแย่ก่อควรมีภาจจยในใจแล้วมันจะหาองบายียท่ลอดเวลาเพราะพวกนี้พวกหารายได้ไม่หวังขาดทุนศูนย์ดอกอะไรทั้งนั้นได้น้อยก็เอามากก็เอามิต่เอาท่าเดียวไม่ยอมเสียสะละก็คือเรื่องของกิเลสอะยอมเสียสะละให้ใครทั้งนั้น หาจะดีเท่าฟ้าเขาสู่เราไม่ได้นะที่ดูดียกตัวอย่างเหมือนอย่างคนเมาเหล้าเนีธรรมนามันก็เมาอยู่แล้วมันไปเอาเหล้ามากินเข้าไปอีกเขายิ่งเมาใหญ่ไปเพิ่มกิเลสตัวเมาเรื่อยๆเด่นขึ้นไปขณ ะ, ะที่เป็นบ้าพูดข้ามได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอั้มมีอายก็คือคนเมาเหล้าขณ ะ, ะ ท, ที่มันโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้านี่ แต่สำคัญว่าตนฉลาดที่สุดก็ขนาดนั้นแหละนี้ใครมาพูดผานหูไม่ได้เขาอยู่ฝากเม่งก็ตทามเอา้าหามก็ไปตีกันหน่อยนะอ่ะเมื่อทั้งที่ทั้งที่ไปไม่ได้ก็หามไปตีกับมันนั่นความสำคัญมีอยู่ภายในจิตอันนี้ต้องแก้ตรงนี้ ด้วยความพยอยางของผู้เห็นโทษก็คือผู้รู้โทษแล้วนั่นผู้เห็นคุณก็คือผู้รู้คุณอย่างเต็มที่แล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครที่จะพูดได้เด็ดดวงและถูกต้องแน่นยั ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้มีใครมันไม่มีมโหลนสาวกที่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะเชื่อกตามคำกับพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตนจึงไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นมาให้เราได้กราบ ว, ว่วบูชาเราที่ยังไม่ได้เป็นอาราธรหันต์เราก็ต้องการจะเป็นจะพ้นจากทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยวิธีต่าง อยู่แล้วเวลานี้ถ้าพูดถึงวาสนาเราก็มีเต็มตัวของเราอยู่แล้วเราไม่ไปยืมวาสนาขงใครมาบำเพ็ญคุณ ง, งามความดีมันเป็นขึ้นมาด้วยสลิตนื้อสายศรัทธาความเชื่อความสของเราเองเราทําของเราเองเราบกพร่องที่ไหนพอจะไปหยียดยืมของคนอื่นมาช่วยสนับสนุน ประกอบความดีเรามีในตัวของเราแล้วแล้วว่าเรราบกพ่องที่ตรงไหนถ้าเราทราบว่าเราบกพ่องที่ตรงไห น, นเราก็พยายามส่งเสริมแก้ไขจุดที่บกพ่องนั้นด้วยด้วยตัวของเราเองแล้วก็ไม่ได้ไปยืมใครมาแกะแก้ไขสิ่งที่บกพ่องเหมืนกันสติปัญญาก็มีอยู่กับเราความเพี ย, กยกรก็มีอยู่กับเราที่จะส่งเสริมที่จะแก้ไขมีอยู่กับเราเท่านั้น เราไม่ได้หยุดยืนของไข่แต่ว่าเราไม่มีวา่าจะหนายเราเป็นผูุรบลิดชอบเรามีมากมีน้อยเราก็รู้อยู่กับตัวของเราแต่ไข่ดัดแปลงอยู่ที่ตัวของเราบ้าเพลงนี้ตัวของเราเวลาพอแล้วกับตัวของเราเองเป็นผู้หลุดผ้พ้พนที่เราเคยได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นพระอรหันต์เข้าสู่วิญญาณเมื่อถึงข่าวของเรา เต็มที่อย่างนั้นแล้วเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับท่านเพราะเดินทางสายเดียวกันจะมีทางติดแว่ให้ไปไหนผิดจากหลักสวดคารธรรมเพราะท่านจับไว้ชอบแล้วนั้นผู้ดําเนินตามมันแล้วก็ต้องเป็นนิยาณ น, นิกระทธรรมนำผู้อภัยให้พ้นตัวโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกโดยชิ้นเชิงได้เช่นเดียวกับวิจาณและสาวกท่านความจริงมันมีเท่าไหร่ท่านพยายามดูจิตขอ้งตัวให้มากกว่าเรื่องอะไร ดูเรื่องคาก็รตามมันไม่เห็นโทษเห็นคุณชัดเจนยิ่งกว่าดูเรื่องของเจ้าของต่เรื่องคนอื่นดีไม่ดีมัน ส, สั่งสมกิเลสขึ้นมาพ่อคุณมาโดยเจ้าตัวไม่รู้แต่มากก็โดยลาดับลาดับดีไม่ดีนอนไม่ได้ฟินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเรื่องภายนอกพอมาดูตัวเหตุคือใจซึ่งเป็นผู้ปปรุงปแต่งป หาเรื่องหาเรานี่แล้วด้วยสติมันก็ทราบแล้วอันนี้ก็สงบตัวลงไปเราพอมีทางในรับความปลืความสบายแล้วเห็นโทษในความคิดความปริ่จับของที่สับุนเงาหลอกจับของในจิตแห่งการพิจารณาตัวเองดูใจตัวเองตายนี้เป็นมหาเหตุเหตุตุตรโยคจะหมายถึงอะไรนี่เหตุเป็นปัจจัยปัจจัยมันจะเกิดที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นจาก ใจซึ่งเป็นต้นเหตุของสำคัญธรรมนราปัจจโยมันเป็นอารมณ์มัอย่างไหนถ้าเป็นประจักษ์ใจปรุงขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอารมณ์เป็นขึ้นจากที่นู่นอภิธรรมท่านสอนจิตล้วนๆจึงเข้าใจกันยากกุศลธรรมะกุศลธรร ม, รรรมนี่เหมือนกันเหตุปเยโยธรรมนราปรเยโยที่ปติปเยโยอนันตระประเยโตมานันต่ระปติโย มันเหมือนกันมันอยู่ที่นี่คือสอนที่จ่ายอภิธรรมทั้นสอนแต่เราไมา่เข้าใจเรื่องอภิธรรมเราไปจะด่วนประสนใจให้เสียเ ว, ยเวลาเลยละดูใจซึ่งเป็นรากฐานของอภิธรรมเป็นตู้ใหญ่ของอภิธรรมเป็นที่แสดงออกแห่งกิริยาของอภิธรรมเช่นเหตุวิโยเป็นต้นเป็นอาการหนึ่งที่ท่านแสดงออกไปจากใจเมื่อทราบสีแล้วทราบไปหมดปิดไม่อยู่ เขาให้สร้างใจะให้ฉลาดคําว่าฉลาดนี้ฉลาดรอบตัวเองนะเราจะไปสําคัญเราความฉลาดกว่าผู้ใดนั่นเป็นความเลื่ความประเสริฐยิ่งกว่าความฉลาดรอบตัวเองนี่คือความเลื่ประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เป็นใหญ่ในตัวนี่ดีเป็นใหญ่ในผู้อื่นไม่ค่อยดียิ่งกว่าความเป็นใหญ่ในตัวความรู้รอบตัวแก้ไขตัวได้อาการใดที่แสดงมาผิดถูกดีชั่วจะแสดงมาจากตัวให้รู้เรื่อง ร, รู้ราวของมัน ยังเรียกว่าผู้ปฏิบตัติมองดูจุดนี้จะไปดูจุดอื่นเืียว่าผู้ปฏิบัติโดยถูกทางแล้วเรื่องราวอะไรๆก็จะสงบลงไปสงบลงไปผลสุดทา้ายก็จะมาเห็นโพดทั้งหมดที่มันล่าไปนะแบบซุบเงาไปนุ่นไปเนี่ตัวจริงตัวจริงมันไม่ไม่จับพระพุทจ้าท่านสอนนี้นะครับอันนี้นนแสดงจากตรงนีง้